เรียนศิษ์ุโงนี่กเจริญหอนญาตโยมทุกคนตั้งใจฟังการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นครับสำหรับสิบคนผู้ที่ยังไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจแล้วก็ต้องควนฟังทารฟังเทศและทำให้เราเกิดปัญญาถ้าคนขาดจากการฟัง ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็ไม่รู้เรื่องสมมุติเราจะเดินทางไปตำบล น, นั้นอำเภอหนึ่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต้องรู้จักทาถ้าไม่รู้จักทิศทางเดินไปจะไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นคนเราทุกทุกคนขอต้องการขวบไม่ทุกหรือต้องการขมทุกทําไมขมทุกเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองเราไม่รู้ข้อเรื่องอะไร พาะเราไม่สนใจไม่สนใจไม่แสวงหาฟังธรรมะจากบุคคลผู้ที่รู้หนึ่งสอ ง, สองการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เดินไม่ถูกทางอีกอย่างหนึ่งถ้าเดินไม่ถูกทางแล้วก็ไม่รู้และไปคบกับบุคคลที่ไม่เคยรู้ทางก็ไม่รู้อีกเสียดา เราต้องแสวงหาบุคคลผู้ที่รู้จริงๆถ้าหากบุคคลที่รู้จริงเราจะสังเกตได้โดยวิธีไหนเราก็ต้องสังเกตเพราะเราเป็นคนเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นมันว่าการฟังเทศฟังธรรมถ้าหากฟังแล้วไม่เกิดปัญญาก็เสียเวลาในการไปนั่งฟังม ไปดูมหาลาศพบคบงานก็เช่นเดียวกันไปดูมาหลายสิบปีแบบ น, นี้ดูและไม่เกิดปัญญา ก, ก็ไม่มีประโยชน์การไปดูนั้นแต่เราชอบฝังชอบดูสิ่งชอบดูสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเราว่าเราได้ความสุขแบบนั้นมาแต่ความจริงเราไปดูไม่มีประโยชน์นั้นะมันเป็นทุกข์มันนําทุกข์มาให้เรา การไปฟังไปเช่นเดียวกันเราว่าสิ่งนี้แหละมันพอใจกับเราเราชอบพอใจฟังแล้วมันเกทุกข์ขเหมือนเราไม่รู้อันเพราะเราไม่รู้นั่นแหละเราจรึงไป ท, ทําผิดพูดผิดคิดผิดเมื่อเรา ท, ทําผิดพูดผิดแล้วการเดินทางของเราก็าจะไม่มีประโยชน์กับตัวเราเลยความทุกข์มันก็ตามมาที่ดังนั้นทุกคนเกลียดทุกหลักสุขแ็่เมื่อเกลียดทุกหลักสุขแล้วความสุขไม่เคยอยู่ในกับ บุคคลผู้ที่เบียดเดือดเบียดทุกหนมีแต่ทุกข์เข้ามายิ่งเบียดคนทุกข์ก็ยิ่งตามเข้ามาเลยเพราะเราเห็นทุกเป็นทุกเนี่ยเห็นผิดเป็นทูกเห็นผิดเป็นทุกแล้วมันจะถูกทางได้ทำไมเห็นทุกนั้นจะเป็นสุขแล้วมันจะมีความสุขได้ทำไมจะบอกการดูหนังดูละครดูอะไรก็ตามดูแล้วมันไม่เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้นเนื่อยเปล่าการไปฟังเทศฟังธรรม กับใครๆก็ตามฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญาก็เหนื่อยเปล่าการฟังทั้งกับไม่ให้เชื่อทีเดียวแล้วฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ให้เชื่อก็ไม่ได้ต้องฟังแล้วใจนโยบายพิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงคนเราเกิดมาทุกคนที่เราต้องประสบกับธรรมาชาติสอนจริง ธรรมชาติมันสอนจริงๆแต่เราไม่เคยรู้ว่าธรรมชาติมันสอนเราบันนี้สิ่งแวดล้อมเราก็เห็นอยู่จริงๆแต่เราทำไมจึงไม่แก้ปัญหาซึ่งเหล่านั้นก็เพราะเราไม่รู้จิ่งแวดล้อมนั่นเองที่ว่าท่านว่าให้ศึกษาให้รู้ให้รู้จริงๆนะไม่ใช่รู้ตามที่ว่าเราไปเห็นเขาว่าดีก็ดีด้วยเขาว่าเลวกว็เลวด้วยไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดอย่าเชื่อ โดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าหลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมาเขาทําตามกันมาก็ไม่ให้เชื่อถืออย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตาราและพระไตศีลดกก็ตามในคำสีที่ไหนก็ตามท้าวพระเจ้าท่านบอกว่าให้เชื่อจิตพ่อท่านสอนอะไรเดีพวกคุณพวกหนูพวกท่านเรียนมามากแล้วอดีตประเทศนี้ แต่ทำไมบางคนทุกมากหลวงพ่อเห็นสูงเทิบางคนก็ไม่ทุกบางคนก็ทุกมากทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะเราไม่รู้ก็ได้ทุกเพราะเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็ได้ไม่กี่วันนี่หลวงพ่อได้ยินคนมาพูดให้ฟังเขามีเงินหลายสิบลา้านก็มีคนทุกข์อีกแล้วเนี่ยยานี้คนต้องการทำอะไรทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาว่าเขาเป็นจริง คนจริงอาจจะไม่จริงก็ได้จริงบางส่วนบางอย่างบางส่วนบางอย่างไม่จริงคนไม่จริงไปศึกษามันจะรู้จริงได้ครับจริงหนอกแต่พูดจริงทําไม่จริงก็นี้บางคนพูดไม่จริงทําไม่จริงคิดก็ไม่จริงอีกด้วยนะบางคนเป็นอย่างนั้นมันไม่จริงแล้วมันจะได้ของจริงมาทําไมบางคนพูดจริงแต่ทําไม่จริงคิดไม่จริงก็มีบางคน ทำก็ไม่จริงพูดก็ไม่จริงคิดก็ไม่จริงก็มีไมเปนบางคนพูดจริงทำจริงคิดก็จริงเนี่ยไม่เป็นคนเดวไม่เหมือนกันดังนั้นพวกเรามาที่นี่วันมีสิบวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบห้าเดือพนะอพฤศจิกาเนี่ยเดือนพฤศจิกาเดือนนี้และต้อ ง, งตั้งฟางว่าซีรีสของเราซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ถ้าซื้อไม่ได้เราจะปล่อยให้ซีรีสเราไปเป็น คนต้องรักซีวิตตัวเองถ้าไม่รักซีวิตตัวเองกับ่อยให้ชีวิต์สิงคุกร์ไปเนี่ยเป็นขาดทุนชีวิต์ทันเวาอย่างไม่ใช่ขาดทุนเหมือนเราไปค้าขายคนไปค้าขายไม่เป็นขาดทุนมีเงินจากหมื่นบาทหรือแสนบาทล้านบาทก็หมดก็มนะีบางคนเขาพ่อแม่เขาไม่มีเงินเขาไปหาดิ้นโลนขึ้นมาได้มีเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่บางคนมันไม่เหมือนกันเดี่ยว การฟังเทศฟังม ฟ, ฟังแล้วให้เข้าใจให้มันเกิดปัญญาเอาไปแก้ปัญหาตัวเองให้มันได้ฟังแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันทำให้ตัวเองเดือดร้อนมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรที่เราไปฟังนั่นเองฟังเทศอย่างที่ห่วงพ่อพูดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วเราคิดบ้างไหมจะแก้ปัญหาตัวเองหรือไปฟังอะไรฟังเอาบุญบุญนั่นหมายถึงอะไร เราได้แล้วเรื่องอย่างบางคนทําบุญไม่ว่าคนอื่นนะ ต, ตัวหลวงพ่อเองทําบุญไม่เคยรู้ว่าบุญคืออะไรไม่เคยรู้เมื่อไม่รู้บุญเราจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้เนี่เป็นอย่างนั้น่ะเราเดินทางไม่ถูกทางเหมือนกับขุดบอ่อน้ําเนี่ยถ้าขุดน้ําบ่อเนี่ยขุดไม่ถูกสายลึกเท่าใดก็ไม่ถูกตาน้ํามันจะไม่ได้กินน้ําคนสลาดเขาไปขุดเอาลินน้ําใกล้ ขุดดินน้ำเนี่ยเดี๋ยวขุดดินที่อดินมันก็ไม่ออกเลยนะถ้าขุดบนตายลเลยอหิออกเลยขุดใกล้ๆแล้วก็ออกน้ำ ม, มาได้กิน่นเน่ยคนเราเหมือนกันแล้วแสวงหาบุญสแสวงหาความสุขแต่เลยได้ทุกติดมาเขามีเป็นอ่างแสวงไม่ทุกเลื่องเป็นอนัองนั้นคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยวะเขามีเงินหลายสิบลา้านทำไมจึงให้คนกงไปได้เป็นจริง คนโกงนั่นก็เขาไม่มีเขาจะไปโกงเอาอยู่ที่ระเบิดคนโกงก็ถูกเขาจับไปนี่เป็นอย่างนัเ น, นี่ยมันคิดว่าอยากรวยทางลัดมันเนึกใหม่ไม่เข้าเรื่องอันนี้ปแปลวคิดผิดดึงเงินมาแล้วอไปใส่ในทางที่ผิดถูกเขาโกงไปคนไปโกงเขาก็คิดไปทุกเรื่องอยากรวยทางลัดอีกแบบมันคิดทางนั้นถึงเราเพรเจ้าว่าให้ใสปัญญาการทําการพูดการคิดทุกวิธีทีเดียวสมัยนี้โลกมันจเจริญแต่จิตใจคนมันไม่จเจริญ แต่มันเจริญแล้วว่าเจริญบ้านเรือนเจริญรุงเรืองดีการนุ่งการถือถนนหนทางรถลาเจริญแต่มันเจริญเป็นวัตถุภายนอกจิตใจมันไม่เจริญถ้าจิตใจเจริญเสีนอย่างเดียวหรอคนไม่มีการศึกษาและไม่มีการเบียงเันไม่เอาเปรียบสังคมเพราะคนเจริญทางใจเท่านั้นดังนั้นคนเนี่ยต้องศึกษาเรื่องจิตใจจริงๆเรื่องชีดีจริงเพราะซีดีมันซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้ลวงพ่อเคยไปกรุงเทพเนี่ยเคยเข้าไปในตลาดในกรุงเทพมองด้านไหนถามาา่มบะมีร้านนี้บริษัทนี้ขายที่นี่คนไหมไม่เคยมีเลยเรื่องหนูเคยทมีอยู่กรุงเทพไม่ได้หนูอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ฮะอยู่กรุงเทพเคยเห็นมีตลาดที่ไหนขายที่คนไหมไม่มีหนูเคยไปเมืองนอกบ้างไหยเคยไปเมืองนอกบ้างคนอยู่นี่เคยไปเมืองนอกบ้างไหม มีไหมครับแล้วมีซีริมีร้านขายซีริคนไมมเหมืองนอกนีไหมไม่มีเนี่ยพวยค ก, ยกคนมีซีริสเมือนกันคนเมืองนอกก็มีซีริเหมือนกั น, น, น, กก น, กนในประเทศอินเดียบนพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วตัดกะโหลเป็นพะระอรหันต์ก็มีซีริเหมือนกันบกรุงไทยนี่เองวันนี้เราก็ไปยืมเอาคําพูดของคนอินเดียมาพูดว่าทําอย่างนั้นมีความสุขทําอย่างนี้มีความสุขทําอย่างนั้นเป็นพวกทําอย่างนี้เป็นพวกเราเรียนกันมา แล้วยังไม่เอามาปฏิบัติทดลองดูมันสุขจริงไหมมันทุกจริงไหมบ้านี้คนไทยพูดในหลวงพ่อพูดคนไทยหลวพ่อไม่เคยจะอินเดียแก่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็ไม่มีแก่ความปกตินี่มี ม, มีทุกคนความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเราหลงหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงชีวิตเราว่ายานักก็ได้คุณทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราหลงชีวิตทางธรรมะเขาเรียกโมะค วันนี้ถ้าหลงนั่นจะมีโอกาสซอกได้ถ้าลืมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะซอกได้เลยจะาหาของที่เราเอาไปลืมไม่ที่นั้นลืมไม่ที่นี่ถามดู่คุณเอาของไปทีไรลืมคิดไม่ถึงคนนั้นแสดงว่าเป็นคนแข้งขาหน้าตาเหมือนเขาเป็นแต่ซีริสตัวเองก็ลืมไปแล้วยังไม่ใช่คนจินนะเป็นคนจริงแต่ไม่ใช่จิตพราะซีริสตัวเองก็ยังลืมไปเนี่ยหลวงพ่อนี่เคยลืมซีริสตัวเองมา ตั้งแต่อายุรอดจากพ่อแม่มาอายุสี่คิดว่าตียังไปเห็นชีวิตตัวเองบางคนยังตายเน่าเข้าโรงก็มีไปลืมจริงๆลืมชีวิตตัวเองว่าไม่ควรลืมไม่ควรเจบภาคมันชีวิตเนี่ยควรศึกษาให้รู้มาจริงๆเนี่มีเงินก็ยังดีไม่มีินก็ยังดีถ้าคนรู้จักชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยคนไม่มีเงินก็ไม่ดีคนมีเงินก็ไม่ดีถ้าไม่รู้จักชีวิตตัวเองนะปล่อยให้ชีวิตตกทุกข์เป็นยังไง ชีวิตจะมันไม่เคยประทุกไม่เคยว่าจุอันว่ามันทุกข์นั่นก็เพราะโมหะโทสะเข้ามาขยานันโลภะเข้ามาขยันมายี้นี่มันก็ทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าจิตใจตกโกบมืดบอดจิตใจกระสับประสเงนหรือจิตใจวุ่นวายเนยี่ยทันเวลาแต่ความจริงอ่ะไม่ใช่ชีวิตเราวุ่นวายไม่ใช่จิตใจเราจริงๆที่มันวุ่นวายมันปลอมแปลงมา อย่างที่พวกคุณพวกหนูนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ดีนนี้เนี่ยเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงถามเยี่ยพูดให้ฟังเป็นยังไงพูดเลยจิตใจเป็นยังไงเดียวไปาทุกคนตอกเลยเออก็ต้องพูดอย่างนั้นจิพูดพักพักพูดใช่ไหมก็เสร็จ เราก็ต้องไม่ไม่ได้ไปทําอะไรมันนะลักษณะนี้มีคนในอินเดียก็มีคนไทยก็มีแล้วเราไปศึกษานในตํานานในอินเดียศึกษาในเมืองไทยก็รู้คนไทยต้องพูดภาษาไทยฟังแล้วรู้เรื่องวันนี้คนไทยพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องอย่างที่เดวงพ่อพูดเนี่คนไทยเลยเพนพ่อเกิดเมืองไทยแม่ก็เกิดเมืองไทยตัวเองก็เกิดเข้ามาในเมืองไทยนึกว่าตัวเองเป็นคนไทยแต่บัดนี้พูดภาษาไทยก็ฟัง อย่างหลวงพ่อย <ENNIS S 1> ่างเนี่ยเพราะคนไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยมันจะรู้เรื่องทําไมคนไทยเขาบอกเขียนหนังสือก็เขียนหนังสือไทยอ่านหนังสือเขาต้องอ่านเป็นภาษาไทยอักษรสูงอักษรสามอักษรกลางเขาพูดอย่างนั้นจตหลวกพ่อไม่รู้แล้วจะถือว่าเป็นคนไทย้็เป็นแต่ยังไม่รู้ภาษาไทยหลวงพไม่รู้ภาษาไทยจะเป็นคนไทยหลวงก็เป็นคนไทยร้อยเศษสิบเพราะขาดการศึกษาขาดการเรียนเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรื่องชีวิตนี่ทุกคนควรศึกษาแต่อ่านหนังสือไทยไม่ได้คนศึกษาได้ไม่ต้องไปศึกษาในประเทศอินเดียก็ได้หลวงพอรับรองว่าชีวิตของคนเนี่ยไม่ควรไปเกี่ยวข้องเพราะมันชีวิตเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีคนเอาเงินมาให้จากหมื่นล้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาให้แล้วจะเอาไปฆ่าทันทีเนี่ยเอาไหมไม่มีใครเอาเลยเงินมบนน่านจะมาทําไมไม่มีประโยชน์เลยเราตายกันไปเนี่ย อย่าให้ชีถึตเตมีเงินก็ต้องหาตามนาที่เนาคนเราเกิดมาต้องรู้จักคนีลยรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จักการงานของคนถ้าเกิดมาเป็นคนแต่ไม่รู้จักคนมไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักการงานของคนก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แตมันยังไม่ใช่คนมันเดือดร้อนนเมื่อคนเกิดมาเป็นคนรู้จักก็เป็นคน รู้จากหน้าที่ของคนรู้จากการงานของคนชีวิตมันกน็ไม่ค่อยชุกเท่าไรถ้าทุกขก์ล็มีน้อยที่อันที่เราทำผิดพูดผิดคิดผิดเนะี่ยเพราะเราไม่รู้จักตัวเราไม่รู้จากหน้าที่ของเราไม่รู้จากการไม่รู้จากงานของเราคนในอินเดียรพระพุทธเจ้าท่านสอนก็อสอนอย่างนี้วันนี้คนไทยก็ต้องสอนอย่างนี้แค่เดียวดังนั้นที่ว่าให้ถานก็ตามรักษาศีลก็ตาม ไปทำกรรมฐานก็ตามทำนิพจนาก็ตามถ้าหากยังมีทุกข์หยุดแสดงว่ายังไม่เข้าเรื่องเหมือนกับขุดบ่อน้ําน้ําบ่อบ่อน้ํามันคําเดียวกันนะขุดบ่อน้ํากับน้าบ่อนี้คําเดียวกันเลยขุดลงไปไม่ถูกสายน้ําไม่ถูกสายนะน้ําก็เลยไม่ออกขุดเหนื่อยเปล่าขุดเหนื่อยเล่าท่านเปรียบเทียบไว้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้คนอินเดียฟังไม่สดสน ที่อยู่บนบกซุ่มได้ยากเอามาสีไฟไม่สามารถที่จะเป็นไฟเขาะจะเป็นไฟก็ต้องนาน้วไม่สดเปียกน้าและบม่ได้ไม่สดทั้งจมน้ำแบบนี้ ย, ยางก็ต้องมีจะไปทำให้ไม้สีไฟมันก็นานออกเพราะมันมันตีย่มันเป็นน้ำและ้จะเกอนไฟได้ยากไม่แห้งที่อยู่บนบกเอามาทำให้มันเป็นไฟได้เร็วขึ้น คนเราก็เหมือนกันนั่งอยู่เดี่ยวนี้เนี่ยฟังเทศอย่างนี้เนี่ยกำลังอยู่บนบกไม่แห้งไม่ได้คิดทางการงานอะไรต่างๆเราคิดโยบพ่อบอกว่าให้ดูสภาพภาวะของจิตใจหรือชีวิตของเราเนี่ยเนี่ยสั่งทำมาโอ้ชีวิตมันไม่พุ่งจรสภาพภาวะของจิตใจไม่ได้ถูกปรุงแต่งโอ้ยท่านว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายคนเลี้ยงง่ายอ๋อเลี้ยงงายท่านว่ายอย่างนี้โอ้คนเลี้ยงง่ายไปที่ไหนก็สบาย อยู่ที่ไหนก็สบายไม่ทำกลมเดือดร้อนให้ตัวเองและไม่ทำกลมเดือดร้อนให้สังคมไปอยู่ที่ไหนก็สบายนั่นแหละทําตัวให้เขาเรียนหน้าบัดนี้เมื่อเราไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนไปอยู่สังคมไหนก็เดือดเนี่ยเขาว่าทำให้เรียงยากคนอื่นเรียงหน้าตัวเองก็มีความทุกข์หนวยหนึ่งเดียให้รู้จักขบมาคุณให้รู้จักหน้าที่ของคนให้รู้จักการงานของคนจริงๆทุกคนศึกษาได้อย่างนี้ธรรมศาตรมันสอนแล้ว สิงแวดล้อมก็สอนแล้วเห็นด้วยตาฟังด้วยหูเนี่ยทําอย่างนั้นไม่ดีเราก็เลิกได้ทําอย่างนั้นมันดีแล้วก็นำเอามาใช้ได้ปฏิบัติได้อย่างกงเทพฯ เ, เป็นบ้านเมืองที่จะลงถ้าไม่ศึกษาเราเรียนจริงๆแล้วก็ยอดไม่ทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองทันวันอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ศึกษาเขาเป็นคนบ้านนอกเป็นคนอพยพเข้ามาในจังหวัดเลยเนอะเน่เกิดบ้านนอกซะด้วยนะเกิดตำบลบุคมไม่ได้เกิดแดนเพือ่อจริงในสมัยหลวงพ่อเป็นเด็ก ไม่มีโรงเรียนนี้คนอายุในเกนณฑ์สิบกว่าปีเนี่ยสอบปอสีได้แต่เป็นครูโรงเรียนเขาว่าสอบไล่ปอสีได้เป็นครูโรงเรียนเลยนี่ลวงพ่อไม่รู้ปอสี่ทำไมต่อมามีคนคนหนึ่งเขาร้อ้ฟังเขาเป็นคนเก่งเขาร้องฟังแต่ไม่เอื้อเฟื้อเขาสอบไรในปริญาโทเขาบอกเขาเก่งบักเข้ามากรุงเทพร้อยปริญาโทในทําไันเยอะแยะกันคนหุงเทพเนี่ย ปริยาโธปริยาตีปริยาเอกมีการสอบรายแท่งขันกันเพื่ออะไรเรียนหนังสือมาๆต้องการเงินแต่ไม่ได้คำนวณทางธุิตต้องการเงินจะไปสอบสอบโดยเฉพาะคำว่าสอบรายได้ทางนี้อาจจะฟังอยากไปสอบรายได้ฟังได้ไหเออยากไปสอบรายได้สอบรายได้ใบประกาศนิยบัตรแล้วก็มาไปที่ไหนสอบใบประกาศนิยบัตรมันไปสอบมีคนคนหนึ่ง แกคนทางภาคกลางนี่ไม่เอ้ยซื้ออยู่ตำบล น, นั้นสองพี่น้องด้วยกันบวชมาแล้วอยู่ในธรรมได้ห้าปีแล้วได้เรียนบาลีใส่สติไม่ค่อยดีไปหาหลวงพอ่อได้ใ บ, บประกาศวิยาบาตรแล้วก็ไปเขีอ น, ไ, นไม่บนศีราะไม่ได้บนศีสาะเนี่ยโดยบนหัวนอนนะไม่ได้บนศีรษะใชนไ่มว่าเราสอบไล่ได้แล้วบาลีเนี่ยทำไหมไปเรียนบาลีในภาษาอินเดียนไปปฏิบัติธรรมะก็เลยไม่เข้าใจสวัสวิ์ พระพุทธเจ้าต้องสอนผู้ที่มีปัญญามี่ปัญญาแล้วไปสอนทําไมคนมีปัญญาแล้วคนแตกศาลไปสอนชาเลี่ยมคนอันนั้นเป็นการเข้าใจคิดเอาเองพระพุทธเจ้าสอนคนธรรมดาคนที่ไม่รู้นี่เองให้เขารู้คนที่ทําผิดให้เขาทําถูกต้องคนที่มีทุกข์ให้เขาเบื้องทุกข์ออกไปเท่านี้เองก็กพอเลยพระพุทธเจ้าสอนแล้วพระพุทธเจ้าจะไปสอนคนมีปัญญาทําไม คนไม่มีปัญญาจึงมีทุกคนมีปัญญาแล้วเขาไม่ให้มีทุกจะเรียนปัญญาจบปริยาเอกจากสิดปริยายเอกคนยังขาดปัญญาท่านบอคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาท่นบอกไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกไปได้สอบไล่ปริยาเอกแล้วได้ใบประกาศนิ ย, ยาบัตรมาแล้วหมดพุกไม่ใช่อย่างนั้น <c> คนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาสอนนะคือปัญญาอื่นๆเนะี่ยไม่ได้ออกมาพูดนะปัญญาทางอืนะ่นเขาไม่ไ้ออกมาพูด ปัญญาแก้ปัญหาการขัดแย้งในตัวเแก้ความตับส่วนวุ่นวายเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานี่ปัญญาอันนี้เนี่เดี๋ยวมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ใจเรามันเกิดเมื่อไรเรารู้ไหมไม่รู้เพราะเราเข้าไปในความคิดมันคิดเราวก็คิดเป็นเรื่องนั้นขึ้นมาคิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาจะไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นจะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้จะไปแก้สังคมนั้นจะไปแก้สังคมอันนี้นี่มันแก้ไม่ได้สลเพราะเราไปแก้ตัวเราคนตัวเราผลได้สุขเอาทุกไป ไปหาเพื่อนเอาทุกเราไปเองแบกทุกเราไปเราไม่รู้ทุกเราจึงแบกเราเขาไปหาเพื่อนเราีนนผลที่สุดเพื่อนก็พอได้รับทุกกับตัวเราไปอีกด้วยอันนี้ที่หลวงพ่อ น, นําให้แก้ปัญหาตัวเราอยู่ที่ไหนแก้ปัญหาตัวเราให้รู้จักบัตเราเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จาักการงานของคนคนนี่ต้องเลือกคัดจักหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชีวิตของเรา ถ้าหากเราไม่เลือกคัดจัตตาเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาใส่กับชีวิตของเราแม้เรามีเงินจากหมื่นล้านก็ตามถ้าเป็นทุกข์แล้วก็สู้พวกเขาไม่มีเงินเขาไดคนไม่มีเงินเขาไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อดี้ไม่มีคนอย่างสบายใจยนั่นเองเดี๋ยวนี้สบายใจใครจะพูดเรื่องอะไรก็ห้ามคนอื่นไม่ได้เราห้ามเราไม่ให้คิจานั้นมันทุกข์ผิดได้คนอื่นจะมายืนให้เราได้ไหมไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่หลวงพ่อพูดนี่คนไทยก็มีใจเหมือนกันคนอินเดียบ้าพระพุทธเจ้าตัทชารูนก็มีใจเหมือนกันคนอังกฤษคนอเมริกาก็มีใจเหมือนกันบ้านเมืองที่เขาจเจริญในประเทศอเมริกาก็มีทุกเหมือนกันมีเขาร้อหยฝังปัจจุบันนี้ก็มีมีคนมาจากอเมริกามาร้อยฝังก็มีทุกเหมือนกั น, ก น, กนความทุกนั้นใครต้องการ ไม่มีใครต้องกานคนระับทำไมคนพวกมันเกิดขึ้นก็เพราะเราหลงใจอนะไรนั่นหลงชีวิตของเรืองนี้ยังวะเรามาที่<ม>นี่วัดสนามควรศึกษาจริงๆเรื่องชีวของเราจะให้คนอื่นศึกษาแทานเราไม่ได้จะให้คนอื่น ท, ทําแทนเราไม่ได้แจ็เพึ่งบิดามารดาครูอาจารย์สามีภรรยาทําแทนกันไม่ได้จริงจิ๋วหน้าที่ของเราทําเองคนอื่นทําแทนเราไม่ได้จิ๋ว ตัวของเราน่เป็นที่พึ่งของเราได้จะไปพึ่งคนอื่นแม้เด็ดเียวนี่คนจะมาต้องหาที่พึ่งจริงไม่พึ่งตัวเองต้องหาที่พึ่งเพึ่งเงินบ้างแต่เงินมีดีแล้วโรกวาก็ไม่ว่าว่าไม่มีมีไม่ดีแต่มันดีแล้วับเนื้อไปเรียนสอบประยายเอกด็อกเตอร์ครับพยายามอยากได้เงินแล้วไม่ได้คิดถึงชีวิตเราเลยคือว่าคนไม่ทํางานตามหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่ ทำไมไม่รู้จักหน้าที่ไม่ทํางานจำนะที่พ่อทํางานเพื่อเงินเป็นทาสของเงินเงินไม่รู้จักนะหน้าที่ของราหาเงินอันนี้ก็ต้องหาแต่ยังไม่ต้องเป็นทาสของเงินนี่หลวงพ่ทาสเขาเรียกว่าเป็นที่ข้าหน้าค่อยนี่จว่าอย่างไรเขาได้บ้านนลวงพ่เนี่ยเป็นค่อยเป็นคนเรือนเป็นคนไซสเป็นทาสทํางวนอย่างนเป็นคนใซสของเขาอันนี้เราก็เป็นทาสของเงินเอาเงินเป็นใหญ่ เอาเงินไปยังใทยมีเงินก็ต้องเอาชนะกันญย่งโกงกันได้ที่คนมีเงินที่หนวขพอคุณมีโองกันได้มีเงินเป็นล้านกันยังถูกเขาองกงไปวันนี้คนที่มาโกงเงินเป็นล้านเขาต้องมีเงินล้านเหมือกันต้องหาวิธีโกงกันเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้ความรู้ประเทศนั่นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนจะศึกษาหน้าที่ของคนที่กิตใจดำที่สุดมนุษย์กับคนก็เป็นอันเดียวกัน มนุษย์ก็คือคนนี้เองคนกับมนุษย์ก็คือคนอันเดียวกันพอดหน้าตาแข้งขามือเท่าเป็นคนจิตใจเร็วสาดไม่ใช่คนแค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่จิตใจสูงเขาเรียกมนุษย์มนุษย์แปลว่าคนขข้ามจิตใจได้สิ่งที่มันไม่ดีเราก็เลิกได้ทันว่าจะไหนเทวดาบเทวดาเรานึกว่าตายแล้วจริงปฏิ็สเทวดาแต่เราไม่รู้จากว่าเราเป็นเทวดาเราเขาไม่รู้นี่จริงเทวดาก็คนธรรมดานี่เอง เนี่ยเขาไม่ไ้าสอนเหมือเทว ด, ดาก็หมายถึงว่าคนรักสวยรักงามกาลังรักสวยรักงาเขาเป็นเทว ด, ดาครั้งโกดขึ้นมาแล้วเหมดอนคมเป็นเทว ด, ดาแล้วไม่รักแล้วสวยงามก็ไม่รักแล้วเะไ่อยนี้รักกันแล้วรักโกรธอย่านี้โกรธหน้าดำหน้าแดงขึ้นมาหมดอนคมเป็นคนหมดอนคมเป็นเทว ด, ดาเป็นผีไปแล้วไอ้ผีพูดยากเนี่ยนางนี่คือผีเนีเดี๋ยวหนูอยาอยากขึ้นโกดหนูโกดหนูก็เป็นผีแล้วอย่างนี้ตกนลกทันทีเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้น นี่ความจริงอ่ะเราอยู่เมืองสวรรค์เราก็ไม่รู้ได้เราอยากไปสวรรค์สวรรค์หกชั้นอยู่สันป่าใครมีบันไดไปกายขึเหนือสันป่าเครื่งบินขึ้นไปก็ยังไม่ถึงสันป่ามันอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยได้เราอยากไปสันาอ่าเราไปเห็นมั้ยได้กี่คนแล้วเห็นสันป่าไม่เห็นเสวรรค์หกชั้นหลวงพ่อจะพูดให้ฟังที่นาตาชั้นหนึ่งตาดูอันดีหูฟังอันเพราะบ้านหลวงเขาเรียกวันดังจมูก จมูกครั้งว่าจมูกไม่รู้จากบ้นของเจ้า่อเดี๋วนี้อาจจะรู้เพราะบ น, นการส้งศีรษเราเรียนมันใสจมูกก็ราะโดนมันหอมปากเรากินอาหารที่มีรสตายเราเนี่ถูกอันมิ่นนวลอดไม่ถูกอันร้อนอันเกล็ดอันแสบใจเราคิดจะดักอาหาที่ดีเนี่คืาว่าสวรรค์หกชั้นเราอยู่สวรรค์นี้อยวนี้เราเป็นเทวดาเลยจำไว้มันดีมนขณะที่มึงโตรดูเจ้าของจกปกก ด, ดูโกกันหนา้าโกรธหน้ากเกล็ดหน้าบึ้งหน้าโอ้ยไม่ไม่น่าดู ลงนรกแล้วไม่ใช่ผลแต่เป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยทันวาออกไปใกล้ๆเราไม่ต้องรอถึงมันตายเริ่สวรรคนิพพานก็อเอามาใช้กับชีวิตของเราจริงๆจึงว่าสมัค ร, รที่เรามาเกิดเป็นคนถ้าเราโชกไม่ดีเกิดเป็นสัิระสาทเป็นคนแข่งหักขาห้านเป็นคนปากคืองูนวกบ้างให้หนวพอวัดปากกืองูนวลวัดปากคืองูนวลจิตใจ ทุกทน่นทุกคนตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วจะไม่เข้าใจหรือจดจําไม่ได้เมื่อไม่เข้าใจจดจําไม่ได้การฟังมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันไม่มีค่ามันไม่มีคุณอะไรกัน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 มันขึ้นอยู่กับตัวการกระทําหรือวิธีทมเท่านั้นเองการกระทําวิธีทำนั้นไม่เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจว่าต้องไปทำกรมาฐานไปนั่งสมาธิแบบนั้นไปนั่งสมาธิแบบนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นดีแล้วที่ตัวของผมตัวของอาตมาเคยทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้น นั่งหลับตาหัดสมาธิเพชรภาวนาพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกทามาแล้วมันก็ดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าเราไม่มองเห็นอะไรโดยมากคนไปนั่งสมาธิแต่ไปหลับตาหาว่าเปนน้ำลืนตามันยังบอกแว่มันจึงไม่สงบงนะครับ ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไปเจาะเอาลูกตาลราออกเส้ยไม่ต้องให้มันมีลูกตามันจะดีกว่ามันจะไมได้มองเห็นอะไรก็จิตใจนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกตามันนึกมันคิดขึ้นมาเป็นธรรมชาของมันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไ ว, ว้ว่าให้มีสติกำนุรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืน มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิทิยบุตรย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนให้มีสติรู้อย่างนี้นี่เอง จึงมีวิธีทำเพราะคนเราระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันการกระทำแบบนี้คนแก่ก็ทําได้พอบ้านแม้เลือนก็ทําได้คนหนุ่มคนสาวก็ทําได้เด็กนักเรียนก็ทำได้เพียงเรานั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งสัดเทียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ที่สุดนอนก็ทำได้ เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวมีจังหวะแท้ที่ทำข้อมือลงให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้พลิกมือข้อมือไม่ใช่รู้ยังไงเพียงเอารู้แน่นอนว่าเราพลิกมือขึ้นรู้มันไหลขึ้นไปข้อมือลงมันรู้ไหลขึ้นไปให้มันรู้เหมือนพิกตารู้เหมือนหายใจเราพลิกตา เราหายใจมันเป็นอย่างนี้นตลอดมาเราไม่เคยรู้มันและการเคลื่อนการไหวของไถ่แน่นี้มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยรู้มันดังนั้นจึว่ามาศึกษาที่ตัวจริงของมันเป็นธรรมชาติศึกษาธรรมะธรรมชาติของมันจริงจริงจริงมีวิธีทามีวิธีสร้างจังหวะขึ้น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 รวมลงทำกันด้อย่างนั้น <c oughs> เรื่องนี้ไม่นานถ้าทำจริงทำจังแล้วไม่คือ3สามปีเพราะในตำลามีอยู่ว่า <c oughs> ผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทันวั่างนั้นอย่างนั้นเจ็ดปี อย่างยาวเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอาณิสงสงประกาศหรือเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันชาตินี้หรือครนี้ทันวันยังไสองถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้เป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดทันวันยังไง ในที่นี้ไม่ต้องเป็นผาละหัไม่ต้องเป็นภานาคามีทุกนั่นจะลดน้อยไปความสงสัยกังวลใจจะลดน้อยไปความหัดแยงทางจิตใจก็จะลดน้อยไปปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเอาเพียงอริสรงอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นการกระทำอย่างนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้น จ็รับรองได้อย่างนานสามปีอย่างการหนึ่งปีอย่างเรวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบัรับรองได้นี่ความจริงมันต้องรับรองได้ถ้าคนรู้จริงเห็นจริงการจริงมันต้องรู้สึกได้นีสศึกษากับธรรมชาติเพราะการเคลื่อนการไหววิธีใดก็ต้องรู้ อย่าไปฝืนธรรมชาติมันธรรมดาตามันอยากมองให้มันมอกแต่ให้รู้มันมอกมันพิษตามันเลือด้ายมันแหล่หัวให้รู้มันอยากเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็ให้รู้ท่านว่าคนโบราณท่านยิ่งสอนว่าไปไหนมาไหนต้องมองหน้ามองหลังท่านว่าอย่าไปมองแต่ข้างหน้าอย่างเบี้ยวท่านว่อย่านี่เราไม่ฟัง เราแก้ปัญหาตรงนี้แหละไม่ได้ฟังคำพูดเหล่านี้แหละไม่เป็นําว่าเหลียวหน้าเหลียวหลังก็ต้องหมายถึงมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังให้มันเห็นและมองมาดูตัวเองให้มันเห็นท่านว่าอย่างนั้นอันนี้เรามองไปแต่ข้างหน้าคิดไปแต่ข้างหน้าคิดไปเรื่องทำดีคิดไปเรื่องทำไม่ดี ค, ดคิดไปเรื่องสวรรค์คิดไปเรื่องนิพพาน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 พระนิพพานก็อยู่ที่ใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเมื่อใดจิตใจหมกมุ่นหดหูมักดองอยู่กับสิ่งที่สสขปรกจิตใจเศร้าหมองจิตใจหดหูจิตใจง้อยแงจิตใจคุณมัวจิตใจเสยสาในขณะนั้นเลือกว่าจิตใจเป็นทุกข์จิตใจผิดปกติ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 เขาเรียกว่าโล ก, กิยธรรมโลกุตรธรรมก็ได้สวรรค์นิพพานก็ได้แล้วแต่จะสมมติพูดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องปัญญานิพพานสวนรรค์กันิพพานมันไปสายเดียวกันสวนรรค์คือเรายังไกลห่างไกลจากนิพพานแต่มันจะไปนิพพานเราไปติดวิธีนั้นไปติดวิธีนี้ เราไม่ตั้งใจเดินไปหาในพานเอาสมมุติกันงสได้เราอยู่บ้านเราเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามเราไม่ตั้งใจเราจะไปแวะที่นั้นไปแวะที่นี่ผลที่สุดไม่ถึงจังหวัดนั้นเขาเรียกว่าเอื้อนโลกีญาธรรมแต่ตั้งใจไปแต่ไม่ไปไมถึงเขาเอื้อนโลกีญาธรรม คือตั้งใจทาําการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตั้งใจว่าจะทำให้มันเสร็จมันทําไม่เสร็จนั้นเขาเรียก่าโลคียาธรรมวันนี้คนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปอําเภอนั้นตำบลนี้หีืจังหวัดนั้นจังหวัดตั้งใจลงเงินเราไปไตให้ถึงจังหวัดนั้นอําเภอนี้ตําบล น, นั้นตำบล น, นี้เห็นคู่คนหลักชนะจิต จิดกระทำการงานของตําบล น, นั้นอําเภอ น, นจังหวัดนั้นอันนั้นเขาเรียกไปถึงจุดหมายายทางหรือว่าโลกอุตรรธรรมรวิจารว่ณนิพานก็ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นเพราะมันเป็นสับเป็นแสงคำพูดของคนอินเดียมันไม่ได้เป็นคำพูดของคนไทยแต่คนไทยแท้ๆอย่างที่ผม หรือหลวงพ่อพูดนีรก็ยังไม่เข้าใจบางคนพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายคนแล้วอย่างคือเราเคยทำบุญเคยอุทิศอะไรต่างๆวว่างสุดที่นางวัตตะเมทานังอาสาวะขยาวหังโอตุข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทานการถวายของข้าพเจ้านี่ จงถึงซึ่งควมสิ้นไปแห่งอาสวะของกิเลสเนี่ยของกิเลสที่สำคัญเครื่องรองสันดาลท่านกล่าวว่าพันิพาตในอนาคตการเบื้องหน้าน่นเถินแต่เราไม่ยอมเสียสละไม่ละ ก, กิเลสที่มันเป็กหุ้มหรือห่อหุ้มดวงใจหรือดวงสติ ดวงปัญญาของเราเราไม่ยอมเปิดกยอมถามเหล่านี้เรียกว่าเป็นโลกินธรรมให้ว่าทำประกอบด้วยโลกทำอยู่กับโลกนี่จะทําดีเท่าใดก็ทําอยู่กับโลกมันไปนิ่พานไม่ได้มันไปโลกุณตะธรรมไม่ได้ดังนั้นคําพูดคาสอนนี่มันจึงสําคัญให้เราเข้าใจ ถ้าเราไม่เข้าใจแล้ว เ, เราจะไปติดคําพูดคําสอนสักแสงเหล่านั้นดังนั้นคําว่าสวรรค์สวรรค์นเนี่ยถ้าเราอยู่ดีกินดีนอนดีไปดีสบายดีเตะไปให้มันถึงที่สุดคําว่าไปให้มันถึงที่สุดที่ไปที่ไหนเราก็ดูใจเราจิตใจเรามันคิดตัดสนวุ่นวายอดไม่ได้ ผิดปกติแล้วนี่เรากดทิ้งเสยๆหลักษณะเสยๆนี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งขึ้นมามันมีอยู่แล้วว่าเสยๆมันคิดขึ้นมาเราก็ทำาอมรู้สึกตัวรู้สึกใจคนคิดมันถูกอยูตัวเองเรก็เสยๆหลักษณะเสยๆนั่นทั้ ปกติมันมีอยู่ดังนั้นทุกคนอันเสยๆนี่ผู้หญิงก็มีเสยๆผู้ชายก็มีเสยๆแอดององเจ้าก็มีเสยๆคนเฒ่าคนแก่ก็มีเสยๆคนนุ่งคนสาวก็มีเสยๆลักษณะเสยๆกันทันเดียวว่าข้าพูดเป็นสับแสงแข็งแน่เลยทันว่าเอื้อหมุกเจคขากเอือ เรียกว่าอุเศหาวางเสยก็เอินเรียกว่าสงบก็เอิญท่านจวักสุกอื่นนอกจากคนสงบไม่มีความสงบนี่ท่านจวักนิพพานอันเฉยเสยนี่ท่านจวักสงบไม่ใช่เป็ น, นั่งสงบมันเสยเฉยมันสงบทําการทำงานด้วยความสงบปากแดดปากฝนปากลมทําการทำงานด้วยความสงบ นั่นแหละท่านเลยวสุขตื่นนอกจากควมสงบไม่มีแต่เราต้องเป็นนั้นให้มันสงบอันนั้นมันกะดีแต่กันไม่เข้าใจความไม่เข้าใจนั่นแหละท่นันแบบเป็นโทษอย่างหนะักเป็นโทษอย่างมากันท่านไรอย่างเต่ในทางตรงกันข้ามความเข้าใจความรู้ความเห็นฟังแล้วเข้าขอกเข้าใจก็พึ่งปฏิบัติตาม นั่นแหละท่านวดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาศาลหาอะไรจะเปรียบปาเนื้อเทาเทียมไม่ได้พะความรู้สึกอันนี้เองดังนั้นจึงไม่ต้องทำอะไรศึกษากับธรรมชาตถ้าคิดธรรมชาตก็คิดปกติถ้าคิดปกติก็ผิดธรรมชาติ ดังนั้นศึกษาธรรมศึกษากัตธ ร, รรมาสตร์ให้รู้ธรม ร, รมศาสตร์มันจริงๆคนเราต้องมีการกินมีการนอนมีการไปมีการมามีการอาบน้ำมีการล้างหน้าแปลงฟันมีการเข้าห้องน้ำห้องสวง้วมมีการเข้าไปทายอุจจาระปัสสาวะมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจึงศึกษาให้รู้ ถ้าพรเจ้าสอนเรื่องทุกข์สอนคนเนี่ยให้รู้จักเรื่องทุกข์ทุกเกิดขึ้นเพราะที่ไหนไม่ใช่ทุกไม่มีเงินไม่มีทองหรือเจ็บหัวปวดท้องไม่ได้หมายถึงทุกเหล่านี้ทุกที่หลวพ่อหรืออาจมาพูดนี่ทุกหมายถึงความคิดมันถูกปูงแตกมันคิดสับสนวุ่นวาย มาแล้วหยุดไม่ได้คนนักเรียนนักศึกษาเรียนมากๆคิดคิดคิดหยุดไม่เต็มเป็นบ้าก็คนนี้โอมันเป็นยังไงอันนี้แหละจ้ะอมคิดนี่มันสําคัญที่สุดเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจมันคิดแล้วต้องทิ้งอย่าเข้าไปในความคิด เอ็มชิดเหมือนกับกระแสน้ําเหมือนกับกระแสน้ําเราเคยได้ยินด้วยฟังมาแล้วพระพุทธเจ้าก่ อ, อนที่จะได้ตัดสัตดับเอาธาตหรือหันนางสุสดาเอาเข้าไปขวาอาพระพุทธเจ้านึกว่าเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าได้กินข้าวในขันของนางสุสดาแล้วขามนางสุสดาว่า จะทา ย, าย้ยจะข้าวหรือจะถวายทั้งหมดถานนางสุสดานางสุสดาก็าบอกถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพระองค์ก็จัดธาดหรือขันอันนั้นแหละลงไปริมแม่น้ำกไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าข้าพระเจ้าจะตัด ก, ก, กระลุเป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสหลุดเอาชนะทุกได้ วางถาดหรือขันใบนี้แหละลงบนผิวน้นํานี่ให้ถาดและอขันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําโน้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสรู้ไม่อใดเป็นอระพุทธเจ้าขาดกิเลสไม่ตายขาดกิเลสไม่หลุดเอาะ น, นทุกไปได้วางถาดและอขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ํานี่ ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำไว้ยังไงพอดีพูดจบแล้วก็เลยวางธาขันอันนั้นลงไปธาขันอันนั้นก็ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำก็ไปจมลงที่ตรงกร ะ, ะนาคนอนหลับอยู่ไปซ้อนเข้าเป็นหมอนให้กร ะ, ะนาคนอนอันนั้นมันเป็นปุกพรอาธิฐาน อันนั้นมันเป็นปุคลาธิฐานให้เข้าใจจึงว่าธรรมมาธิฐานบุคตาิฐานนี่ธรรมาากกรารรมาธิฐานทันว่าด้รธรรมอะโตไปตีเป็นบุคคลขึ้นมาอังคารนานอนหลับเนี่ยคือว่าเหมือนเหล่าเนี่ะนอนหลับทับจิตหลงตนลืมตัวไม่คิดถึงจิตถึงใจแต่นอนหลับทับจิต ดังนั้นทวนกระแสของน้ำคือทวนกระแสของความคิดมันคิดอยากไปเราไม่ต้องไปมันคิดอยากขับลำํำทำเพลงเราก็ไม่ต้องขับลําทาเพลงมันอยากดื่มสุราเราก็ต้องไม่ดื่มสุรามันอยากใส่สิ่งของอะไรต่างๆแปลกๆทันสมัยเข้าก็ไม่ต้องใส่อย่างนั้นให้ใส่ซีวิต เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาใส่สีวิเป็นธรรมดาเนธรรมดาธัมมะยิ่งเป็นธรมนธรมด า, มมดาพิษธรรมดาไปแล้วไม่ใส่ธัมมะมันเป็นอธรรมทันวรกันนั้นดังนั้นการพูดก่านสอนและผู้ฟังกับผู้สอนให้เข้าใจกันและจะเรียนพระไตรปิกฎกที่แตกสารก็ารตาม ถ้าหากไม่ทำจะไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เรียนหนังสือเขียนไม่ได้อ่านไม่เป็นแต่ทำก็ต้องรู้เช่นเดียวกันดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้การพูดนั่นดีแล้วพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้การกระทำต้องทำอย่างน้นทำให้รู้สึกตัว ตื่นตัวทำให้รู้สึกใจเตือนใจคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าหลงกายอย่าลืมใจให้ท่านสอนเอาไว้แต่เรามันหลงตนลืมตัวโลงกายหรือใจไม่รู้เท่าทันของคนามคิดมันเป็นคนเป็นใครของจิตนี้ คนมบราณถ้าิึงสอนเอาไว้ว่าความคิดคนนี้เหมือนกับลีทันไวยความคิดมันออกกัดได้ไวควคิดคนเหมือนกับลีลีนี่มันอยู่ที่งๆไม่ได้แล้วก็อาไม้ไปแย่มันแล้วก็กโดดโรดเติมจากโน้นจาก น, นี้มันเป็นอย่างนั้นคมคิดก็เหมือนกันทันไวยควคิดของคนไม่จึง อ, ออกกัดได้ไว ดุบมีลานไขในตนเราท่านวรบังคับคนให้จิตยนต์หมุนมาแต่ในทางข้างนี้ถ้าปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกี้คำ ท, ที่มีก็จะหนีจากนายหายสูญอะทาเข้าของน้ําข่มและยันสมบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกตนเลยมนหลอกเราดังนั้นพวกกรรมาฐานเป่นนั่งภาวนา แล้วเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เพราะไม่เห็นจิตใจนี่เองเพราะป้าฝึกกรรมฐานมันไม่ได้ฝึกตัวเองมันไปฝึกนั่งหลับตาไปฝึกอะไรต่างๆแล้วมันเลยผิดธรรมศาสตร์ผิดธรรมกาเมื่อผิดธรรมศาสตร์ผิธรรมกาศอ้แสดงว่าไม่รู้ธรรมศาสตร์ไม่รู้ธรมศศม ร, ธรมดามันก็ลอกเราเอาเสียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้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 เราไปไหนมาไหนมันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจพอดีมันถูกเห็นคมคิดมันถูกหยุดทันทีเหมือนเราขุดบ่อน้ำขุดกระไม้ฝังเราขุดฐาน้้ำไม่ะจับขุดสูงสูงกว่าตามขุดเดินภูมิกว่าตามแล้วขุดที่ลุ่มที่ดอนขุดที่ไหนก็าตามแต่พื้นดินนี้ต้องมีน้ำทุกผนทุกแห้ง คุลงไปลึกๆไปเจอน้ําแล้วน้ํากับตมกับเลนนะมันอยู่ด้วยกันเมื่อไปเจอน้ําแล้วคุดลึกๆ ล, ล, ลงไปเราก็เป็นหน้าที่ตักตมตักเลนออกทิ้งน้ำอยู่ข้างในมันจะไหลตะกอนออกมามันจะไหลออกมาให้หมดเลยเราก็เป็นหน้าที่ตักตมตักเลนออกให้หมดตักออกตักออกวิทออก วิตออกตักกับวิเป็นอันเดียวกันนะออกต้มเลนออกหมดแล้วน้ํา ม, มันจะไหลตะกอนออกมาแต่มันยังขุ่นยังมัวยังสกปรกน้ำเงินยังใช้ไม่ได้ควนปากบ่อเขา้าให้มันล้างตมล้างเลนล้างตะกอนเหล่านั้นออกตักออกตักออกเมื่อตักออกหลายครั้งหลายขุนล้างหลายครั้งหลายขุนน้าก็สะอาดขึ้นมา เมื่อน้ำสะอาดแล้วเอาไปใส้อะไรก็ได้ดังนั้นจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ทานว่าอย่างนั้นจิตใจไม่ต้องฝึกมันฝึกกิเลสฝึกโตนึกตืกคิดนีแหละมันเที่ยวมาวเราเห็นเรารู้ถ้าเราไม่เห็นเราไม่รูก้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ฝึกกิเลสแต่จิตใจนั้นมันดีแล้วไม่ต้องไปฝึกมัน จะไปฝึกมันทาไมจิตใจมันเป็นปกติอย่างนั้นเกิดมาแล้วมันก็มีปกติอยู่อย่างนั้นอันปกตินี่แหละท่านว่ามันเป็นธรรมชาต์มันเป็นธรม ร, มนนธรมดามันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำการทำงานพูดคิดความปกตินันก็มีลึกเกรียบอุปมาหลายอย่างที่นำมาเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายมสมมติเอาอย่างดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ ลึกตาเวนเราสมมติขึ้นหน้บางคนว่าตาเวนบนุตรหรือฝ้าบุตดวงอาทิตย์บุตรนวเราว่าอย่างนั้นแต่ควจริงตาเวนไม่บุดดวงอาทิตย์ไม่บุตรฝ้าไม่บุตมีเมฆเมฆโดนฝ้าหรือเพื่อบ้านเราเมวเมฆมันลอยไปตามลมมันก็เป็นฝองดวงอาทิตย์นั่นดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์แต่มันทำความสว่างมันเป็นดวงเกิดเมื่อมีอะไรไปปกคุมมันไว้มันก็เลยทำความสว่างอยู่ใกล้ๆแต่มันทำออกไปไกลๆอันตัวปกติของเรามันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างแต่คนไม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจปกติอันนี้เมื่อไม่เข้าใจปกติอันนี้คนเลยไปหาธรรมะ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 การยกมือไหว้คนอื่นนั้นร้อยครั้งพันผนสู้ยกมือไหว้ตัวเองครั้งเดียวไม่ได้เห็นไหมปีนี้ทําไมจีมนมี่ค่ามีคุณมากยกไหว้ยกมือไหว้ตัวเองนี่เมื่อไหว้ตัวเองแล้วก็เป็นการไหว้คนอื่นไเพราะเราทําดีเราพูดดีเราคิดดีคนอื่นทุกคนไปต้องการทําดี ต้องการพูดดีต้องการคิดดีดังนั้นคนในยกมือไหว้ตัวเองแล้วนั่นแหละเรว่าเป็นคนดีไม่ใช่ยกมือไหว้คนอื่นเราเห็นตัวเรากําลังยกมือไหว้เราเห็นจิตเห็นใจกําลัง อ, อ่อนน้อมท้อมตนยกมือไหว้คนนั่นคนนี้อันนั่นแหละท่านว่าเป็นคนดี อันนี้เราไม่เคยเห็นจิตเห็นใจเห็นเขายกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ไปตามเขาไม่เห็นจิตเห็นใจบางทีคนยกมือไหว้คนอื่นจิตใจคิดอยากไปทำร้ายเขาก็มีนะฮ น, นเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่ามันมีการขัดแย้งในตัวมันเองเมื่อมันมีการขัดแย้งในตัวมันเองก็มีความสับสนวุ่นวาย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 Oh, my God.